สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำเรื่องราวสาระที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของที่ประชุมสภานะครับพาะกำลังพิจารณากฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วย พักการเมืองก็ดีเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของอกฎหมายลูกที่ว่าด้วยกรกตครับเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วก็จะนําไปสู่การจัดการเลือกตั้งนะครับก็ต้องติดตามในวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในในวิสุเครือ ง, งามรองนายงตรีนะกักเกา่าฝ่ายกฎหมายแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องการเตรียมที่จะมีการตั้งคณะกรรมาการยุทธศาสตร์แห่งชาตินะครับ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็รองนายกก็บอกว่าอาจะมีซูเปอร์บอร์ดอยู่32คนนะครับก็จะมีฝ่ายความมั่นคงอยู่ประมาณ 5-6 ตําแหน่งนะครับกไ็ไม่ได้มากนะครับถึงที่สื่อไปบอกว่ามีทหารจานวนมากนี่ก็ไม่มากนะห้าหกตำแหน่งและนอกนั้นก็จะเป็นทางด้านตัวแทนประธานอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมนะประธานห อ, อการค้า สมาคมธนาคารไทยนะครับผู้ส่งคนณวุิด้านต่างๆนะแล้วก็มีระหลัดกระทรวงการคลังมีเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะประธานสภาเกษตรก ร, ร, ก, รก็มีมีหลากหลายแล้วครับนะที่ ท, ที่ที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของชาตินะครับซึ่งมีแนวคิดบอกว่าน่าจะมีการทำยุทธศาสตร์ระดับชาติขึ้นมา ส่วนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญนี่ในพรนเพชรวิชิตชลชัยก็ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนชเปิดเผยบอกว่ากำลังพิจารณาหลักการพิจารณาร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองแล้วก็ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะพิจารณาให้เสร็จนะครับ ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมาการอยู่สองคณะนะครับสนชนี่ก็จะไปจัดสัมมนานอกสถานที่ในช่วงวันที่ 20-21 พฤษภาคมศนะกนี้อาจจะไปพิจารณาไปกันกรองเกี่ยกวกับเรื่องของประเด็นกฎหมาย2 อ, อ, องฉบับนี้แหละครับนะแล้วถ้าประชาชนมีความคิดเห็นอะไรก็ให้ส่งมาที่สนชได้โดยเฉพาะที่ยังมีเสียงคัดค้านเกี่ยกวกับเรื่องของการ เก็นะบค่าสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคนละร้อยบาทต่อปีเนี่ยนะครับนะก็มีสายเสียงคัดค้านบอกว่าชาวบ้านนะเชาไม่ไม่ไม่เข้ามามีส่วนร่วมเพราะยังไม่มีเงินไม่ยากจนนะครับแล้วก็มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ในในวันลบตั้งคณะนุรักษณ์นะครูศกของคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบว่าด้วยพรรคการเมือง ของสอนชก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับจะพิจารณาไปแล้ว15มาตรามีการแขวนไว้สา ม, มาตรานะครับเพราะว่ายัางมีเสียงยังแตกอยู่นะถกเถียงกันซึ่งว่าด้วย เ, เรื่องเงินทุนประเดิมในการจัดตั้นพักซึ่งเดิมเนี่ยนะครับมีการเสนอว่าต้องมีอย่างน้อย1ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้คนจนตั้งพักไม่ได้นะครับหรืออาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง มีการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารพักการเมืองอให้เท่าเทียมกับมาตรฐานจริยธรรมของสาธารณนหรือองค์กรอิสระนะซึ่งตรงนี้นฝ่ายนะักการเมืองกัผู้บริหารพักก็คัดคา้านก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องค่าสมัครสมาชิกพักคนละล้อยบาทต่อปีนะครับเสียงนี่ก็ยังแตกกันอยู่ ซึ่งนายบรลพบกบอกว่าจะมีการาไปพิจารณาไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนายบรลพบกบอกว่าสนชจะพิจารณาร่างพบรบว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งกกตในในวาระที่สองที่สเนี่ยในวันที่8มิถุนายนศกนี้นะครับแล้วก็ส่วนร่างพบรบว่าด้วยพักการเมืองก็จะพิจารณาวาระสองวาระสาม ให้เสร็จภายในวันที่15มิถุนายนศกนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาของของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองกับของกกตนะครับซึ่งก็ต้องติดตามดูนะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะซึ่งหลายคนนี่ก็ก็ก็สนใจนะครับในประเด็ดนนี้ส่วนทางด้านสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศนะมีคณะ กรรมธิการทางด้านสื่อมวลชนนะครับของสภ า, านำโดยพลาอากาศเอกนิตสวนเนธก็บอกว่ามีการปรับปรุงเนื้อหาทำร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเิธิภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน ว, วิชาชีพสื่อมวลชนนะครับแล้วก็จะเสนอให้สปทเนี่ยพิจารณาวันที่27เมษาซึ่งในเนื้อเนื้อเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการกำหนดที่จะ ให้สื่อมวลชนพวกนักข่าวพวกสื่อมวลชนจะต้องอมีการทําใบประกอบวิชาชีพนะครับถ้าใครใค ร, ใครไม่มีก็จะประกอบอาชีพไปได้ซึ่งสื่อมวลชนนี่คัดค้านกันมากนะครับทั้งโทรทัศน์ทั้งหนังสือพิมพ์เลยนะครับนายปราเมธเหล็กเพชรนา ย, ยกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะก็กวะว่าร่างกฎหมาย ฉบับนี้พยายามที่จะเข้าไปควบคุมสื่อนะครับนะก็ไม่เห็นด้วยนะครับนะในส่วนของสมาคมนักข่าวนะครับก็ ค, คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสื่อนี่จะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของสอปทนะสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศนะก็ยังไม่มีผลทางกฎหมายแต่ต้องหลังจากสปทแล้วจะต้องมาเข้าสนชนะครับในส่วนของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องติดตามดูนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของของสิทธิศิรภาพของของสื่อบลชนนะครับมารับฟังเพลงกันก่อนก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับท่านาครับ เดียวดายใต้แสงดาวเน็บหนาวราวง่ายเงาอันโหดร้ายอกกอดใจไพรูลมโบก โ, โบยพัดกิ่งไวทิ้งใบร่วงลงโซดินหวังใหญ่เธอเลือเกิน ลงเพลินกลุ่มหรือไรรำร้องแทบขาดใจไม่ได้ยินแสงสีนั้นมีมนเพลี่ยนใจคนให้เป็นหินน้ำตาพี่คงไหลรินโรดินแล้วในวารักไในว่าลงยืนยัน ไม่แปรเปลี่ยนคำสัญญาที่ไม่ได้เขียนจึงเปลี่ยนแปลงรือ จ, จริงหรือไม่อยากจำคำทุกคำล้วนเสแส้งเจ้าใจดำสำย่ังใจแข็งยิ่งกว่าดินแล้งที่ขาดฝนรอคอยจนน้อยใจ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 แปรเปลี่ยนคำสัญญาที่ไม่ได้เขียนจึงเปลี่ยนแปลงลืมจริ ง, รงหรือไม่อยากจำคำทุกคำล้วนเสแสงเจ้าใจดำซ้ำยังใจแข็งยิ่งกว่าดินแล้งที่ขาดาฝนรอคอยจนน้อยใจ บินไปไม่คืนรังลืมคนอยู่ข้างลังอีกทั้งคนเรารักถึงยังรออยากจะขอร้องสักคนกลับมาเถดห น, น, น้าน่ามุนพี่จนแต่จริงใจ พูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้รัฐเนี่ยนะครับมีการดูแลสวัสดิการให้กับแรงงานนอกระบบนะครับประมาณ20ิล้านคนก็ต้องบอกว่าแรงงานที่อยู่นอกระบบก็คนประกอบอาชีพแรงงานอิสระนะครับในการมาอาัดใจประกันกับกับรัฐเนี่ยนะครับนะก็รัฐตามพ ร, ะระบรประกันสังคม รัฐนะก็จะดูแลให้โดยก็จะเพิ่มสิทธิให้กับผู้ประกันตน ต, นตามมาตรา40มาตรา40นี่คือแรงงานนอกระบบนะครับประมาณ20ล้านคนนะ่ก็จะเพิ่มเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเงินสงเคราะห์ทาศพนะครับนะซึ่งก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับนะซึ่งอตอนนี้เนี่ก็เราก็จะดูนะครับนะว่าจะจะจะเป็นอย่างไรอย่างเช่น แรงงานจ่ายสมทบ300รัฐบาลสมทบให้150ได้รับเงินสิทธินะเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ200บาทนะครับจนถึง6ขวบถ้าเป็นเด็กเล็กนี่นะครับแล้วก็จะมนะีให้เงินค่าทำศพอีก 40,000 บาทถ้าเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลก็จะได้รับชดเชย300บาทนะครับต่อวันในเวลา90วัน ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับส่งเสริม คนยากคนจนผู้ประกันตนอิสระก็ะก็จะได้ประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้นี่รัฐมนตรีแรงงานผลเอกสิริชัยนะครับดิสกุล น, นี่ก็บอกเปิดเผยขึ้นมาบอกคอรมอเนี่ยเห็นชอบแล้วนะครับนะสำหรับผู้ประกันตนตามตามตาตรา40บของพรบรประกันสังคมนะครับซึ่งผู้ประกันตนอิสระพวกนี้ก็อาจจะเป็นหาเลขแผงลอยบ้างนะครับนะวินมอเตอร์ไซค์นะพวกที่ ทำงานค้าขายอิสระนะครับนะซึ่งก็จะมีหลายทางเลือกให้ใหผู้ประกันตนได้ไดจ่ายได้สมทบอย่างเช่นทางเลือกที่หนึ่งผู้ประกันตนจ่ายสมทบ70บาทรัฐก็จะสมทบให้30ก็รวมเป็น1้อยบาทนะก็จะรับสิทธิประโยชน์นะอย่างเช่นเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือทุกพลภาพก็ดีนะครับนะก็จะจ่ายให้ นะครับอย่างเช่นถ้าเจ็บป่วยนะก็จะให้300บาทนะต่อวันนะครับนะก็จ่ายไปเรื่อยๆนะไม่เกิน30วันนะครับนะถ้าไม่นอนโรงพยาบาลนะครับนะก็จะจ่ายชดเชยให้นะครับนะถ้าแพทย์สั่งให้หยุดงาน3วันก็จะชดเชยให้วันละ200นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะดูแลนะบุคคลเหล่านี้นะครับ หรือส่วนทางเลือกที่2นี่ผู้ประกันตนกระจายสมทบ100ยบาทรับจ่าย50บาทก็เป็น150ก็จะได้รับการคุ้มครองอยู่สี่กรณีอย่างเช่นเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยนะครับทดแทนการขาดรายได้เมื่ อ, อทุพพลภาพนะครับมีเงินค่าทำศพแล้วก็มีเงินบำเหน็จชราภาพด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะก็จะจ่ายให้นะครับก็ถือว่า เป็นเป็นส่วนที่ดีนะครับนะซึ่งหรือจะเป็นทางเลือกที่3นะครับนะก็ผู้ประกันตนเนี่ยจ่าย300รัฐกระสมทบ 150, ร้อยห้าสรวมเป็น450ก็จะคุ้มครอง5กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยนะเงินทดแทนขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพเงินค่าทําศพเงินบําเหน็จชราภาพนะครับแล้วก็เงินสงเคราะห์บุตร ซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลนี่ก็จะได้นะครับนะอย่างอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นสวัสดิการที่จะให้กับคนยากคนจนแหะครับนะเพราะว่ า, าจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็อยู่ในนะเป็นแรงงานอิสระเป็นผู้ประกันตนอิสระนี่แหละครับนะเป็นหาบเป้แผงลอยบินมอเตอร์ไซครับจ้างบ้างนะครับตามหมู่บ้านตามในเมืองนี่มีคนรับจ้างนะครับหรือว่าลรา แรงงานที่รับงานไปทําที่บ้านแทนที่จะนั่งอยู่ตามโรงงานนี่เขาจะเป็นแรงงานที่รับงานเนี่ยไปทําไปทําที่บ้านนะก็ตรงนี้ก็จะครอบคุมแหละครับถ้าทําประกันสังคมนะครับแตนะ่ก็ครอบคุมผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับแตนะ่ก็คงจะจะเป็นสิ่งที่ดีแหะครับนะเป็นสิ่งที่ดีพราะในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะฟืดเคืองอย่างอย่างหนักนะครับแตนะ่ประชาชนนี่เท่าที่ ไปถามแม่ค้าบ้างนะครับนาคนขายของอิสระนะครับนาปันดารับจ้างต่างๆนะครับคนรับจ้างต่างๆในส่วนใหญ่ก็จะไปกู้ได้ยืมสินกันมาหมุนกันก่อนนะครับเพราะในช่วงนี้นก็ไรายได้นี่ค่อนข้างจะน้อยบางครั้งไม่พอแล้วก็ช่วงใกล้เปิดเทอมลูกหลานเปิดเทอมก็จะต้องไปกู้มาก่อนหรือจะไปจำนำนะใช้บริการลงรับจำนำ ถ้าเข้ามาช่วยผ่อนปลนมาช่วยคลี่ไายบ้างก็จะจะเป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้เนี่ยราคาสินค้าทางการเกษตรนี่ก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะครับกระทรวงพาณิชย์ส่งสัญญาณมาบอกว่าตอนนี้กระเทียมไทยเราเนี่ยตอนนี้กิโลกิโลก ร, รัมละยี่สิบบาทนะเพราะว่ามีการป้องกันการลักลอบนำกระเทียมจากต่างประเทศเข้ามาก็ทำให้ ร, ราคากระเทียมนี่สูงขึ้นนะก็ ก็ดีคนะรับเกษตรกรที่ปลูกปลูกพืชปลูกกระเทียมปลูกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแตนะซึ่งแล้วก็ตอนนี้นี่ก็ไม่ว่าจะเป็นหอมแดงพริกขี้หนูนะครับถั่วเขียวอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะเริ่มราคาก็เริ่มจะขยับขึ้นนะครก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็คงเป้าหมายหลักของ ของราคาผลิตผลทางการเกษตรก็คงจะเป็นที่ข้าวกับยางพารานะครับอ้อยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะมีจํานวนประชาชนที่ปลูกนะปลูกพืชเหล่านี้เนี่ยมากนะครับทําอย่างไรที่จะให้ขยับราคาขยอบขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องเร่งที่จะแก้ไขราคาผลิตผลทางการเกษตรนะครับรวมทั้งแก้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภัยแรงนะครับซึ่งในหน้าแรงนี่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอ น้ำไม่พอนะทางด้านการทําการเกษตรนะครับแนตะ่เพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็จะต้องแก้ไขโดยด่วนนะครับนะนะเพราะว่าไม่พอในการผลิตผลการเกษตรหรือบางพื้นที่นี่น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอด้วยนะครับนะเพราะว่ามีการใช้น้ํากันกันมากจะจัดสรรจะจัดส่วนกันอย่างไรนะครับนะก็คงจะต้องอพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแรงเพราะนะปีนี้นี่อากาศร้อนมากแล้วเราก็จะเห็นว่ามีปัญหาพายุ ลมร้อนเนี่ยถล่มในหลายๆจังหวัดนะครับเปียเกิดพายุลมร้อนเพราะว่ามีอากาศร้อนจัดนะครับก็เกิดพายุนฝนกระหน่อกกระหน่ากันในหลายพื้นที่ก็คงจะต้องระมัดระวังสําหรับวันนี้นะครับเวลาของอรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชี้จะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันรดและเลิกสูบบุหรี่ครับสําหรับวันนี้ผมนิรันดคุลทานันต้องขอลาท่านไปก่อนเลยพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ